คือก็ไม่ชีนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรปีหน้าก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเลื่อนลอยผู้ที่เลื่อนลอยก็ไม่มีจุดเป้าไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตฉันใดคนที่มีจิตใจที่เลื่อนลอยก็ลักษณะเดียวกันบางทีแม้กระทั่งเจริญกุศลบางทีก็เจริญแบบค่อนข้างเลื่อนลอยการที่เจริญเลื่อนลอยนั้นก็เจริญแบบไม่มีเป้าหมายแต่เมื่อกี้เนี่ยแม้คำก่อนคําถวายทานเนี่ย มีเป้าหมายฟังแล้วน่าชื่นใจแต่ที่สำคัญก็คือว่าปรับความรูป้ปรับความเข้าใจให้สมควรก่อนถ้าปรับความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราก็ทำอะไรแบบเป็นคนมีเป้าหมายเหมือนอย่างว่าอย่างบางคนแบอบกว่าชีวิตนี้ขอมีบ้านสักหลังหนึ่งเพราะนั้นเขาทำงานเขาก็มีเป้าหมายคือบ้านบางคนบอกว่าอยากมีรถสักคันหนึ่งก็ทาอะไรก็แบบมีเป้าหมาย ในการที่เราให้ทานก็เหมือนกันการที่เรารักษาศีลก็เหมือนกันการที่เราเจริญกุศลทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรามีเป้าหมายเมื่อเป้าหมายของเราชัดเจนเราก็ค่อยๆเก็บหอมรอมดิบไปค่อยๆรวบรวมไปรวบรวมบุญกุศลถึงจะเล็กถึงจะน้อยทําได้เท่าไหร่มันก็มีเป้าหมายเนี่ยเยมื่อกี้ฟังเลยเพราะเลยเอามาดูแล้วก็มาพูดเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งบอกว่าวสุทินังวัตะเมทานังนีนะอาสวัคยวาวังหูตุ ปว่าสุทินังวัตเมทานังทานที่เราได้ให้แล้วนี้เป็นการให้ดีแล้วเนอคือให้แล้วให้เลยให้แล้วไม่เอาด้วยอ๋อหมายคือว่าขอให้แล้วก็ให้แล้วให้แล้วให้เลยให้แล้วไม่ให้แบบให้แบบคิดว่าจะขอถือขอคืนแล้วก็การให้เนี่ยของที่เราได้มาก็ได้มาโดยสุจริตโดยชอบทำมีเจตนาที่คิดว่าจะให้ ท่านเป็นกุศ ล, ลเจตนาที่ตั้งเอาไว้เพื่อการให้สละบุญกุศลที่เกิดจากการให้บุญกุศลที่เกิดจากการให้วัตถุทั้งหลายเหล่านี้แด่สงศ์อาสวัคยาวหังโ ห, งหตุโหตุแล้ว่าจงมีขอจงมีเพื่อเพื่ออะไรอาสวัคยาวหังขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยสิ้นอาสวะขอความสิ้นอาสวะจงมีแก่ข้าพเจ้า อาสวะนี่แปลว่าเครื่องหมักหมมเครื่องหมักดองเครื่องดองสันดาลพ่ากันนะหรือบางทีก็สิ่งที่มันไหลไปสิ่งที่ครอบงําหรือท่วมทับอาสวะบางทีแปลว่าไหลไปนะไหลไปตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลโดยทําถึงพรถึงโคตรภูไหลโดยอารมณ์ถึงภาวะภพเพราะฉะนั้นภพสามเนี่ยเป็นที่ไหลไปเป็นที่โคจรไปแห่ง อาสะวะทั้งหลายอาสะวะที่เรียกว่าเครื่องหมักหมมเครื่องหมักดองเนี่ยนะอาสะวะมีสี่ประการด้วยกันกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะและอวิชชาสะวะย่อลงมาก็คือตันหาทิฏฐิและอวิชชาเนี่ยนะตันหาทิฏฐิและอวิชชาย่อยๆลงมาเหลือสามอย่างเพราะะฉนั้นบอกว่าบุญที่เราได้ให้แล้วนี้บุญที่เกิดจากการให้ทานนี้ขอจงเป็นไปเพื่อสิ้นอาสะวะ คือพูดผลแต่ไม้เอาเหตุพูดผลไม่เอาเหตุคำพูดนี้เขาเรียกว่าพูดปจาระคำพูด ใ, ให้ต่อผลแต่จริงๆหมายถึงเหตุจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรถ้าตั้งคาถามว่าอาสวะคยาวหังโหตุเนี่ยขอจะขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ถึงซึ่งความสิ้นอาสวะทำที่สิ้นอาสวะหนึ่งทิฏฐาสาวะสิ้นด้วยโสดาปฏิมัก อนุภาพของโสดาปฏิมัคเป็นปัจจัยให้สิ้นทิฏฐาสวะกามาสวะสิ้นด้วยอนาคามิมักภวาสวะและอวิชชาสวะสิ้นด้วยอรหัตตมัคอาสวะขยาวหังขอบุญที่ได้ทำเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อบรรุมัคทั้งสี่ประการอันนี้แปลเป็นภาษาเราง่ายๆเลยก็คือบอกว่าบุญที่ทำไปแล้วนี้ขอให้ได้อริยมัคสี่นะ แสดงว่ามีเป้าหมายชัดเจนว่าขอกุศลจิตที่ทาแล้วถึงจะเล็กถึงจะน้อยเหล่านี้พราะมาหากุศลเนี่ยมหากุศลชื่อว่าเป็นมหากุศลก็จริงแต่ก็เป็นปริตะชื่อว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยอนะแต่บุญที่เล็กน้อยแต่ถ้าทำบ่อยๆเหมือนหยาดน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าถ้าตกลงมาใส่ตุม ตมนั้นไม่ร่วมไม่ซึมไม่อะไรเป็นต้นเนี่ยนะถ้ายิ่งตกใส่บ่อยๆก็ค่อยๆเพิ่มพูนจนตเต็มเปี่ยมได้ชั้นใดบุญกุศลเจตนาในการให้ทานเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเพิ่มไปบ่อยๆเพิ่มไปบ่อยๆก็เต็มเปี่ยมพัฒนาจากปริตตะเป็นมหคตะพัฒนาจากมหคตะเป็นอัปปามะนะอริยมรรคอริยผลเนี่ยเป็นอัปปามะนะแปลว่าไม่มีประมาณ หลจากบุญกุศลที่เรากระทาแล้วนี้จงเป็นปัจจัยให้ได้โซดาปฏิมักสกธาคามิมกักอนาคามิมักและอรหัตตมักทั้งหลายในที่สุดคืออรหัตผลเรียกว่าอาสะวะัคยวาวังนิพานนางหูตุตอนอยมโมดขอคออย่างนี้หรือเปล่านี่อย่าว่าให้คล่องปากเนะีเสียชื่อหมดเดีย๋ยววันหลังจะมาถามใหม่ฮนะสุทินางวัตมีทานางอาสะวัคยวาวังนิพานนางหูตุต้องการอะไรบอกต้องการมักสี่มั้งนะทางตอบเนี่ยถูกต้อง เพราะอาริยมรรคเนี่ยเป็นตัวที่ทําลายอาสวะทั้งสี่ประการอันนี้ข้อแรกข้อที่สองทุติยมปิสุทินังวตัตเมทานังสัพพะทุกขาปรมุนเจเ ย, ยบอกว่ า, าทุติยมปิสุทินังวตัตเมทานังทานที่าพระพเจ้าให้เนี่ยให้ดีแล้วนะให้ด้วยศรัทธาจริงๆให้ด้วยเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปให้ด้วยศรัทธาเลื่อมใสในความประสรดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรม ให้พ่อเลื่อมใสในความปฏิบัติดีของพระสงค์ขอบุญที่เกิดจากการให้อันนี้สัพพะทุกขาปรมุตจะเยข อ, อปรมุตจะเยนี่แปลว่าเพื่อความพ้นหลุดพ้นขอให้สัพพะทุกขาหลุดพ้นจากกองทุกให้หมดเลยไม่ให้เหลือทุกแม้แต่นิดเดียวเนี่แล้วเรามีทุกอะไรบ้างนะมาเถรินว่าไปบ้างนิดหน่อยนะบอกเรามีทุกอะไรบ้างแม้ปรารถนาเหลือเกินเนาอยากพ้นทุก ทานที่ให้บุญที่ให้ไปเนี่ยขอจงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเถอทุกไหนแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความรําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดก็หมดหวังปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมหวัง ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ปรารถนาหมดปรารถนาจะร่ำรวยมีแต่โจรลงปรารถนาให้มั่งมีมีแต่นี่สินอย่างเงี้ยนะพันมีแต่มีนี่มีสินพันขอให้พ้นจากทุกพันธ์แค่เรียกว่าวขอให้พ้นจากทุกตั้งความปรารถนาขอให้พ้นไปจากทุกข์ที่กล่าวไปแล้วพ้นจากชาติชรามรณาโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตพันแสดงว่าตั้งความปรารถนาขอให้พ้นจากทุกทั้งปวงหมายถึงพ้นจากวัตทุกข พ้นจากอบายทุขติวินิบาตนารกผลของการให้ทานเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อพ้นจากนารกเปรตอสรกายและเดรชาลขอผลแห่งการให้นี้จงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขอให้พ้นจากทะเลทุกพ้นจากอันนบคือห่วงแห่งมหันตทุกข์ทั้งปวงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้ประโยคสุดท้ายบอกว่าตติยมเปสุทินังวัตมีทานัง นิพพานะปัจโยโหตุขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้เพราะว่าถ้าไม่เห็นพระนิพพานอาสวะขยวหังเกิดไม่ได้ถ้าไม่เห็นพระนิพพานก็ไม่สิ้นอาสวะถ้าไม่เห็นพระนิพพานก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นบุญที่ได้กระทําแล้วนี้จงเป็นไปเพื่อให้ถึงพระนิพพานด้วยเถอด ขอให้จิตได้สัมผัสกับพระนิพพานด้วยเถอเมื่อจิตได้สัมผัสกับพระนิพพานที่สงบทุกข์ที่ดับทุกข์แล้วก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้าสัมผัสกับพระนิพพานแล้วก็จะพน้นหรือจากสิ้นอาสวะโดยประการทั้งปวงที่จริงอ่ะนะถามว่าโอ้โหพูดมาซะยาวเลยนะครับแปล ง, ง่ายๆได้ไหมบอกได้ปรารถนาอะไรบอกปราธนามรสี 4, ผลสีเละนิพพานหนึ่งอ่ะนะทานที่ได้ให้แล้วนี้เนี่ย การให้ทานแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเพราะการให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาโดยถูกพ้องนี้ให้ทานแบบมีเป้าหมายอย่างนี้เ้าเรียกว่าสัมมาปฏิปทาเพราะความปรารถนาที่ถูกต้องเป็นปัจจัยให้เข้าไปหาคนที่เขาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์คือทำให้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพระัตนมตรา เมื่อเข้าไปหาแล้วก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงฟังเมื่อเงี่ยโสดลงฟังก็ทรงจําพระธรรมเหล่านั้นเอาไว้เมื่อทรงจําธรรมะเหล่านั้นเอาไว้ธรรมะนั้นคืออริยสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่ออริยสัจเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เกิดการมาพินิจพิจรารณาเกิดการใไข้ครวรเกิดการวิจัยเกิดการพิจารณาการเจริญโทษชงการเจริญองค์มารในที่สุดก็เป็นปัจจัยให้บรรลุ นะความสิ้นอาสวะคืออาริยมรตสี่ทาให้พ้นจากวัฏทุกข์การเกิดในอบายทุกขติวินิบาตินรกการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจเพราะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานให้ได้จิตได้สัมผัสกับพระนิพพานด้วยอาริยมรตทั้งหลายนั้นก็เป็นการเจริญกุศลที่มีเป้าหมายมีทิศทางเมื่อเรามีเป้าหมายทิศทางชัดเจนแล้วที่เหลือก็มาค่อยๆรวบรวมกันมาค่อยรวบรวมกันสิ่งที่เราต้องรวบรวมนั้นคืออะไรบุญ สิ่งที่เราคือรวบรวมบุญเราอยู่ที่บ้านเราก็รวบรวมอยู่บ้านก็อยู่วัดเนี่ยนะพูดเป็นภาพรูปธรรมนะแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นเนี่ยเขาสามารถรวบรวมได้ทุกที่แหละรวบรวมอะไรรวบรวมโภคทรัพย์นี่นะจริงๆแล้วเราทำอะไรทุกวันเนี่ยนะเป้าหมายจริงๆเรามีชัดเจนนะถึงเผลอบ้างอะไรบ้างก็รู้แต่ว่าเป้าหมายชัดเจนคือการหาอะไรหาโภคทรัพย์ พาโภคทศัพท์เนี่ยนะจะได้แบ่งมาเป็นเครื่องนุ่งห่มเออเวลาหนาวจะได้มีผ้าห่มใช้แบ่งมาเป็นอะไรเป็นอาหารอยากเปรี้ยวจะได้เปรี้ยวอยากหวานก็จะได้หวานอยากเผ็ดก็จะได้เผ็ดอยากขมก็อยากได้ขมนะอยากได้ต้มยำได้แกงได้ข้งวหวานได้อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นอยากได้อาหารที่ชอบใจ แล้วก็อยากได้ที่อยู่อาศัยที่งดงามนี่นะปรารถนาจะได้มีที่อยู่อาศัยนับตั้งแต่ที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเรียกว่าที่อยู่เนี่ยหมายว่าอยู่ด้วยการยืนเดินนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายเรียกว่าที่อยู่อาศัยรวมทั้งบ้านช่องห้องหออันนั้นที่ดินที่ทำกินเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าปรารถนาจะหาที่อยู่ แล้วก็ยามป่วยไข้ไปหาหมอเขาไม่มีตังค์ให้เขาก็ให้พาราไปนิดๆหน่อยๆ น, นะแกปวดไปบ้างเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรมีค่าอยู่ค่ายาแปลสภาพไปเป็นค่ายาค่าวิตามินค่ายาแก้ปวดแก้เมื่อยแก้วัดคัดจมูกอะไรก็ ว, ว่าไปเนี่ยนะก็แปรสภาพไปหาอยู่หายาเพราะเราสแสวงหาทรัพย์เพื่อจะได้แปรสภาพมาเป็นอะไรเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นอาหารการเลี้ยงชีพเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอยู่ยารักษาโรค ไม่ใช่เท่านั้นถ้าเกิดมาเทศเกินจะว่าไงเนี่ยพระก็จะพึ่งชันก็แล้วกันเพราะเมื่อเช้าว่าฉันไปแล้วโยมที่ยังไม่ได้ชันก็เดี๋ยวก็กลับไปทานเพนกันแล้วกันอ่าพูดถึงอาวะเราสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็จะได้แบ่งมาแปรสภาพมาเป็นรูปสวยๆไม่ได้เครื่องนุ่งห่มก็ต้องสวยนะ เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็สีสวยๆเสียงเพราะๆเะกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสำผัสที่ดีๆจึงเดือดชอบใจนั่ น, นคือประโยชน์ของโภกข้ศัพท์ทีนี้ถ้าจะได้สิ่งเหล่านั้นเราก็รวบรวมโภกข้ศัพท์มาทํำยังไงเก็บสิเก็บเลยเนี่ยนะเก็บฝากแบงค์ฝากธนาคารถ้าโบราณก็ทํำยังไงถ้าโบราณเลยเขาไปฝังไว้บุรุษย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกฝังบนดินไม่ได้เดี๋ยวเขามีร่องรอยเดี๋ยวเขาไปขุดเอาอันนี้ก็าทำยังไงบอกมม่ไปฝังไว้ในน้ําลึก เนธีเนธีเตปุริโซคัมพีโรอุทกันติกเกนเนี่ยนะก็คือรีบประว่าขวนขวายสแสวงหาทรัพย์รวบรวมได้เพราะฉะนั้นอย่างที่เรากแก้วแหวนเงินทองก็คือสิ่งที่ยอ่ยอย่อปัจจัยสี่มาเหลือกระดาษใบเดียวยอ่อปัจจัยสี่มาเหลือเป็นแบงค์เหลือเป็นทองคํามันก็สแสวงหาที่เรียกว่าสตังแก้วแหวนเงินทองมารวบรวมเก็บเอาไว้ทีนี้ทํายังไงสตังเยอะๆมารวบรวมก็ให้มันเหลือเป็นเพชรบ้างเป็นทองบ้างเป็นอะไรบ้างก็ว่ากันไป ก็จะได้ไปแปรสภาพเป็นปัจจัยสี่เข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายเป็นยารักษาโรคเพื่อเลี้ยงตนให้เป็นสุขเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุข น, นะเพื่ อ, อบำรุงบิดามานดาเพื่อส่งเคราะห์ค่าทาตบริวารและกรรมกรเป็นต้น น, นั่นคือวัตถุประสงค์ของการแสวงหาของเราทั้งหลายเมื่อหามาได้ตัวที่จะมาแปร ก, ก็คือเรียกว่าเป็นทรัพเป็นพกทรัพเราก็มาฝังทรัพเก็บทรัพเอาไว้นั้นอย่างดีบรานี่เขาทาอะไรมั่ง วิธีการเก็บทรัพย์ของเขาก็ไปฝังไว้ในน้ําลึกนู่นสมัยใหม่มันฉลาดซื้อที่ดินเอาไว้บ้างซื้อบ้านเอาไว้บ้างะเขียวเอาไปหมุนวิธีเก็บของบางคนเนี่ยคิดวิธีเก็บสตังค์หลายคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าต้องเก็บเป็นที่ดินเพราะฉะนั้นเมื่อมีตังค์ซื้อเป็นที่ดินมาเลยบางคนบอกว่าต้องเก็บเป็นรถซื้อรถมาบางคนก็ต้องเก็บเป็นบ้านซื้อบ้านมาบางคนก็ต้องเก็บเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเห็นว่าสมควรอ่ะนะขุมทรัพย์ที่เขาบางคนก็ไปฝากแบงค์ฝากธนาคารเอาไว้บ้ง นะบางคนก็ไปให้เขากู้บ้างไปให้อะไรบ้างแต่จริงนั้นก็คือวิธีเก็บทรัพย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าขมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ดีแล้วที่เขาฝังไว้นั้นะ่ะไม่ใช่ว่าจะสำเร็จประโยชน์ในการทุกเมื่อทีเดียวสมหวังทุกครั้งเลยไหมสมมติว่าเอาอุตสา์เก็บแก้วหาสตังมาได้ฝากสตังไว้กับที่ดินที่ดินหมดราคา อ, อันนะี้เดือดร้อนอีกแล้วนะี่ ฝากสตังเก็บไว้กับบ้านบ้านไม่มีราคาก็เดือดร้อนอีกแล้วไปฝากไว้กับสิ่งใดๆฝากไว้ที่ธน า, าคารลูกกอดันไปปลอมลายเซ็น เ, เบิกไปเล่นผลานซะหมดแล้วอย่างงี้ยนะบางคนเนี่ยฝากไว้กับที่ต่างๆถูกคดถูกโกงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นขุมทรัพย์นั้นย่อมไม่สําเร็จประโยชน์ในกาลทุกเมื่อทีเดียวเพราะฉะันเห็นคนในโลกนี้นะประสบความสําเร็จมีกี่คนจ๊ะวะเอาจริงๆเลยนะเอาโหทําหัวหกก้นขิดเงือท่วมเงือเป็นเม็ดเท่าเม็ดข้าวโพดเนี่ยนะ ทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกวนันแปรที่ดินเป็นมันสำปะหลังแปรที่ดินเป็นวุ้ยสรารพัดแปรเนีน่ยนะพลิกแผ่นดินหาแก้วแวนเงินทองหาปัจจัยสิสำเร็จกี่คนเอาเข้าจริงนะนะสำเร็จกี่คนที่ประสบความสําเร็จพ่อสําเร็จลูกผลาญยังไงบางทีบางทีงทพ่อทําสําเร็จลูกทําเสียบางทีสามีทําเสร็จภรรยาทำเจงบางทีภรรยาทำสําเร็จสามีพลานเกลี้ยงเนี่ยนะคือมันก็สับเสร็จอีกสิ่งหนึ่งเสร็จอีกสิ่งหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเอ๊ะมันอะไรกันเน่ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่สำเร็จประโยชน์ในการทุกเมื่อทีเดียวเพรา ะ, ะเราต้องพยายามปรับความเข้าใจว่าอันนี้คือสมบัติในโลกนี้สมบัติในโลกนี้มีอยู่ครั้งหนึ่ง อ, อุบาสกคนหนึ่งกำลังทําบุญอยู่พระราชาเรียกเข้าเฝ้าโบราณเนี่ยนะพระราชาอยากอยากคุยกับใครก็ให้ทหารเนี่ยให้คนสน็จไปเรียกมาบอกไปเรียกคนนั้นมาิอยากคุยด้วยหน่อยทหารก็ไปเรียก อ, นน อ, อุบาสกคนหนึ่งกำลังถวายทานอยู่อุบาสกคนนั้นกําลังทําบุญต่อหน้าพระพุทธเจ้ากําลังทําบุญกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเขาบอกทหารนั้นว่าท่านไปกราบเรียนกราบทูลพระราชาก่อนว่าอตอนนี้ผมกําลังฝังทรัพย์อยู่เมื่อผมฝังทรัพย์เสร็จแล้วผมจะกลับไปเฝ้าพระราชาะนนะพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังบอกว่าถูกต้องเพราะว่าเขาก็มาฝังคุมทรัพย์ด้วยการทําบุญเพื่อประโยชน์แก่ โลกหน้าเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยนะทอะไรก็ทําเพื่อปร ะ, ยะโยชน์โลกนี้แต่ก็ลืมโลกหน้ า, านะทเพื่อปร ะ, ยะโยชน์โลกนี้แต่ลืมโลกหน้าแล้วโลกนี้มันมีตลอดไปไหมโลกอันชารานำไปไม่ยั่งยืนวันนี้เราก็หนุ่มที่สุดโหยโมดเนี่ยวันนี้หนุ่มที่สุดแล้วพรุ่งนี้แกกวันนี้อีกปีหน้าแกกวันนี้อีกเพราะฉะนั้นอีกสิปีข้างหน้าแกกวันนี้เยอะเนี่ยนะเพราะ ว, วันนี้หนุ่มที่สุดแล้ว ก็โลกอันชารานําไปไม่ยังยืนนั่นทุกคนแก่หมด น, นะเขามายังไม่คิดไปเอ๊อตอนนี้เขาเป็นพระหลวงพ่อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ไปอีกหน่อยเขจะเรียกหลวงปู่หลวงตาหลวงอะไรก็ว่ากันไปในที่สุดก็เฮ้ยพระรูปนั้ น, นะชาติเมื่อมรณะเมื่อก็จะมีแค่นี้ใบติดไว้ข้าง้าที่เก็บกระดูกหนักๆเข้าเกากะวัดเขาก็ขุดทิ้งไปนั่นก็มีอยู่เท่านั้นนะ ะ, นะชีวิตของชาตินี้นะแต่ว่านี่คือประโยชน์โลกนี้มันก็มีประโยชน์โลกต่อไปอีกอ น, นะโลก จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเราจะต้องไปไหนทีนี้เมื่อเราไปเรามีสเสบียงทางไหมคนที่เดินทางบ่อยๆนี่จะรู้ว่าการเดินทางนี่มันจําเป็นต้องใช้สเสบียงนั่ไนไงเขามานี่เป็นนักเดินทางเดินทางถ้าเดินหนึ่งต่ำกว่าพันกิโลนี่แปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราแน่นอนมันเดินทางสัปดาห์หนึ่งก็เอออาทิตย์เดียวก็พันกิโลแล้วเพราะเดินทางอาทิตย์หนึ่งว่าเดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าพันกิโล ไปเรื่อยมันก็เดินทางมันก็ต้องมีสเสบียงทางให้คนที่จะเดินทางได้ต้องมีสเสบียงทางพูดอย่างนี้ฟังให้ดีนะไม่ได้มาเรียกอะไรนะคือหมายถึงว่ามันมีทํากุศลตลาดประเภทโดยเดินทางไปทําบุญนะเดินทางไปทําบุญตรงนี้บัางตรงนั้นมัางก็ไปอาชีพทําบุญนะนี่ก็มานี่ก็มาทําบุญอีกเหมือนกันได้บุญหลายอย่างในมงคลหลายข้อก็มาเจริญมงคลนะ ในมงคลมาสนทนารมตามการได้างคนมาฟังทำตามการได้มงมงคลมาบำรุงบิดามารดาในหลายมงคลมันก็เดินทางเยอะเมื่อคนที่เดินทางมากๆเนี่ยมันจําเป็นต้องมีสเสบียงทางเราเนี่จะต้องเดินทางไปสู่พบใหม่เนี่ยเก็บของไปเตรียมพร้อมหรือยังอันนะั้นหลายคนจะไปชาติหน้าแล้วเก็บของอะไรไว้บ้างแล้วเตรียมบางคนนะพวกไปต่างประเทศนะอุจะไปแค่3าวัน7วันเตรียมยังก็ไปไม่กลับอย่างไร คิดแล้วคิดดีไอไปไม่กลับจริงๆกลับไม่ได้เตรียมเลยมั้งนั่นแล้วจะเตรียมบุญอะไรมัางในการเดินทางต่อไปในโลกหน้าไออยู่เขาไม่ให้อยู่กะเราขาให้อยู่ตลอดไปหรอกเชื่อเหรอใช่ไหมให้อยู่ตลอดไปเอาไหมอายุหมื่นหมื่นปีเลยะําเนจเอาไหมัหก 10, 10, 10 ห, หมื่น0มื่นปีไงเอาไหมเอาอีกนั่นแหละเนาะแต่มันแก่ลงทุกวันนี่แล้วให้อายุหมื่นปีไม่เอาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโลกอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกจํำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อไปแล้วสเสบียงทางเรามีแค่ไหน มันก็เรียกว่าประโยชน์โลกหน้าฉนั้นประโยชน์ น, นะนะคุมทรัพย์ที่เราฝังไว้ที่เป็นบุญเนี่ยนะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญกุศลการบำรุงบิดามารดาการทําบุญต่างๆแล้วก็ศึกษาในเรื่องบุญเนี่ยนะรายละเอียดเกี่ยวกวับเรื่องบุญนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะ ก็คือบุญที่สําเร็จโดยการให้ทานเจตนาในการให้บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาทั้งที่เป็นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาบุญที่สําเร็จด้วยการเจริญอธิศีลอธิจิตอธิอธ ป, ปัญญาบุญที่การสแสวงหาปัญญาบุญที่เกิดจากการมีปัญญาเป็นต้นอั้นบุญเหล่านั้นเนี่ยนะที่เราฝังไว้แล้วดีแล้ววัตถุภายนอกเนี่ยนะเราไปเก็บไปฝากไว้ที่อื่น แต่บุญทั้งหลาย เ, าากเกนี่ยเราฝากเก็บไว้ที่ไหนนะเนีตั้งคําถามว่าบุญเนี่ยเราฝากเก็บไว้ที่ไหนดีเนี่ยบุญนี้คือสิ่งที่ฝากบุญคือสิ่งที่เก็บเอาไว้ที่ใจของเราทั้งหลายเมื่อบุญเนี่ยคือสิ่งที่เราฝากเก็บเอาไว้ในใจของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าบุญเนี่ยเกิดที่ใจของเราเกิดได้บ่อยๆขึ้นเป็นจิตที่เป็นบุญมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะ ใครมันจะลักเอาบุญของเราไปได้บ้างอ่ะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุญที่เราทำไว้ดีแล้วไฟก็ไม่ไหม้น้ําก็ไม่ท่วมทายาตอันไม่เป็นที่รักก็ผลานเอาไปไม่ได้เนี่ยนะพระราชาก็แย่งชิงเอาไปไม่ได้โจรก็ลักไปไม่ได้ไม่มีอันตรายเพศภัยโดยประการใดเลย เพราะฉะนั้นบุญที่เกิดขึ้นขุมทรัพย์คือบุญที่สำเร็จไว้ในใจนั้นจึงเป็นขุมทรัพย์ที่สามารถทำให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างแท้จริงขุมทรัพย์คือบุญพันขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดก็จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วในทานศีลสัญญะความสำรวมตนธรรมะความฝึกตนในเจดีในสงฆ์ในบุคคลในบิดามารดานในแขก ในที่ชายเป็นต้นเนีนะขุมทรัพย์ที่ฟังไว้ดีแล้วในโลกใครใครไม่อาจผจญได้เป็นของติดตามตนไปได้เมื่อเขาจําต้องละทิ้งชาตินี้ไปพบนี้ไปเขาก็พาขุมทรัพย์เอาบุญ น, นั้นไปบางคนก็บอกว่าไม่ได้หรอกเนี่ยหวงลูกห่วงหลานทําเพื่อให้ลูกให้หลานะเธอเฮ้โหลูกหลานจะกรวดน้ำไปให้สักกี่ทีน้ะว่างั้นนะแม่ทาทุกอย่างเพื่อให้ลูกลูกกรวดน้ําไปให้แม่กี่ครั้งเนาะนะ บอกว่าบางคนเนี่ยก็หวังว่าอย่างเดียวเผื่อลูกมันจะทําบุญไปให้บ้างอ้าวถ้าเราไปเกิดสัตวนรกซะลูกทําบุญก็ทําไปเทอาไม่ได้รับเพราะถ้าเราไปเกิดเป็นเดรัชานซะเนี่ยนะไปเกิดเป็นอย่างอื่นซะเป็นเดรัชานเป็นเกิดเป็นกุ้งอย่างเงี้ยเขาอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ได้ต้องให้อาหารนะถ้าไปเกิดเป็นปลาไปแล้วนี่ยากไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปแล้วนี่ยากเพราะฉะนั้นถ้าเขาอุทิศส่วนกุศลให้ต้องอยู่ในฐานะ ฐานะโซอุปการปฏิต้องเกิดในฐานะที่สมควรจึงจะรับส่วนบุญได้ก็ไม่ใช่ว่าจะคาดหวังอะไรจากคนอื่นได้มากเหมือนเรามาเกิดในชาตินี้นะใครไปติดตามหาลูกหาหลานในอดีตชาติม้างลูกเอ้ยส่งของมาให้พ่อให้แม่บ้างเถอะพ่อแม่มาชาตินี้ทําไมเหนื่อยเหลือเกินลูกเอ้ยลูกอยู่ที่ไหนอะคะเนี้เอพระ๋อถ้าเราไปเกิดชาติหน้าแล้วเราจะไปร้องเรียกหาใครแต่พูดอย่างนี้ขอมาไม่ได้บอกว่า ย, า บ, า, ย า, าบํารุงขออภัยยาสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นต้นไม่ได้พูดอย่างนั้น แต่ให้เล็งถึงประโยชน์โลกนี้ให้เล็งถึงประโยชน์โลกหน้าให้เล็งถึงเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อออกจากวัฏทุกเนี่ยนะให้ให้ให้สามารถพิจิจารณาให้คํานวณให้รอบรู้ถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและที่สําคัญคือเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเพราะสมบัติในโลกนี้ถ้าเราคิดให้มันดีๆเนี่ยนะสมบัติในโลกนี้เป็นสมบัติของผู้มีบุญสมบัติของผู้มีบุญจริงๆ ถ้าหาว่าผู้ใดมีบุญเนี่ยนะของเขาจะเป็นของเขาตำแหน่งทั้งหลายแหลที่ดีๆก็เป็นของผู้มีบุญรูปสวยๆเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยความมีผิวพรรณดีความมีสวดทรงความความมีสวดทรงงามความมีวันณนะความเป็นใหญ่ยิ่งตลอดจนถึงเป็นเทพพ ย, ายดาทั้งหลายก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญเพราะฉะนั้นมนุษย์สมบัติเนี่ยนะเป็นคนที่มีรูปสวยมีอำนาจ เป็นที่รักเป็นที่เชิดชูบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยสิ่งที่น่ า, รนาตราฐานตําแหน่งอํานาจลาบยศสรรเสริญเป็นต้นเป็นสมบัติของคนมีบุญคุณเคยเห็นไหคนหมดบุญนี่ยมันเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยท่านเป็นสมบัติของคนมีบุญแม้กระทั่งการเกิดเป็นเทวดาทั้งหลายเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยา ม, า ด, ม า, าดุสิตนิมานรดีปารินมิตรวสวดีสมบัติเหล่านี้ก็เป็นของคนมีบุญแม้แต่พรหมโลกทั้งหลายก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญสมัยพุทธกาล เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยเหลือเกินว่าโหคนนั้นเขาก็บรรลุโสโดาบันฟังสูตรหนึ่งสูตรเข้าบรรลุแปดหมื่นสี่พันอีกสูตรหนึ่งทำมาจากกับวัตนาสูตรบรรลุแปดอะไรนะสิบแปดโกฏมหาสมัยสูตรมงคลสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้บุคคลเหล่านั้นที่เขาบรรลุนั้นอ่ะเพราะเป็นผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วเนี่ยนะเขาเป็นผู้มีบุญเขาเป็นคนสั่งสมบุญ นั้นต้องแต่ถ้าบุญนั้นฝังไว้ที่ไหนที่จิตที่ใจของเรามันถ้าเราทําบุญไว้ด้วยใจของเรามาเต็มเปี่ยมแล้วนะสาวกบารมีทั้งหลายเป็นอริยสาวกโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นผ้าหันเพราะความเป็นผ้าหันนั่นแหละก็สําเร็จมาจากบุญ เหมือนที่เราให้ทานใชสุทินังวัตเมทานังอาสวัคยยาวหังนิพนธอาสวัคยยาวหังโหตุสุทินังวัตเมทานังสัพสพุทธสัพพะทุกขาปรมุนเจเยสุทินังวัตเมทานังนิพพานะปัจโยโหตุสิ่งเหล่านี้เนี่ยการให้ทานเนี่ยเป็นเหตุคือบุญผลที่ได้รับก็คือสิ้นอาสวะผลที่ได้รับคือพ้นจากทุกขผลที่ได้รับคือทำให้แจ้งพระนิพพานได้สัมผัสตรัสรู้กับพระนิพพาน อันนี้เป็นสมบัติของผู้มีบุญสัมผัสนิพานเหล่านี้ด้วยสาวกภูมิก็ตามก็เป็นสมบัติของผู้มีบุญหรือเป็นพระปัจเจ้พระพุทธเจ้าก็เป็นผลของบุญตลอดจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าและพุทธภูมิอันใดพุทธภูมิทั้งหลายก็เป็นผลของบุญเพราะฉะนั้นใครที่ก็ตามที่ใบคบสั่งสมบุญไว้ดีแล้วถ้าได้ครบกัลยาณมิตรนะบัณฑิตผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ ได้คบกัลยาณมิตรผู้มีองคุณชักชวนให้เราเจริญด้วยศรยาาัทธากัลยาณมิตรช่วยแนะนำให้เราเจริญด้วยศีลฮิริโอตัปปะสุตะจาระคะปัญญา ถ้าได้กลยารณมิตรช่วยชักชวนให้เราเจริญสติประธานเจริญสัมมาประธานเจริญอิทิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชงเจริญอริยมรรอันประกอบไปด้วยองค์8เจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเจริญภาพเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเราอาศัยกลยารณมิตรเช่นนั้นโยนิโสมนสิการใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของ พระพุทธเจ้าการที่เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าวิชาสามอภินยาหกวิโมกษแปดเป็นต้นก็จักสำเร็จขึ้นนะฮะพันวิชาสามทั้งหลายระลึกชาติได้ ระลึกชาติในอดีตอันหาประมาณไม่ได้ความรู้ที่ระลึกชาติอดีตความรอบรู้ในขันธาตุอายตนะอดีตระลึกชาติได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติ2ี่0 3บยีสาสิี่สิบห้าสบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากตลอดสังวัตกรรวิวัตกรรเป็นอันมากว่าชาติโนนมีชื่อยางนั้นอนะ มีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลหรือแล้วกามีโคดอย่างนั้นมีรูปร่างผิวพรรณเสวยทุกสเสวยสุขเช่นนั้นเช่นนั้นเหมือนคนระลึกถึงประวัติของตัวเองอย่างละเอียดในอดีตได้อันนี้เรียกว่าอันนี้ก็เป็นผลของบุญผลของบุญนี่แหละเป็นเหตุให้ระลึกชาติได้สั่งสมไว้บุญไว้ดีทําให้ระลึกชาติในอดีตที่สเสวยสุขสเสวยทุกเคยมีบริโภคอาหารเช่นใดมีผิวพรรณอย่างไรก็สามารถระลึกได้ไม่ติดไม่ขัด เท่าที่ปรารถนาจะรู้ดังนั้นถ้าหาวะสั่งสมบุญไว้ดีจะทําให้มีวิชาคือรอบรู้ในอนาคตรอบรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปเกิดที่ไหนรู้จิตจุติรู้อุบัติของสัตว์ทั้งหลายสัตว์เห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอ น, นันตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมามกรรยหมายคาะว่าถ้าเขาจะไปสู่ที่เลวทรามก็เพราะเขาทรรํากายยะทุจริตทาความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เป็นมิจฉาทิฏฐิเตียนผราเรียเจ้าทำกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าสู่อบายทุกขติวินิบัตนรกเป็นต้นพะนั้นก็จะรอบรู้ว่าโอ้เนี่ยอนาคตถ้าเหตุแบบนี้ผลต่อไปในอนาคตจะเป็นแบบนี้ความรอบรู้อันนี้ก็เป็นผลของบุญบุญทําให้มีปัญญารอบรู้ต่อไปว่าถ้าคนที่เขาทาสุจริ ด, ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็น กล่าวสรรเสริญท่าเรียเจ้าไม่เป็นอเป็นสัมมาทิฐิทำกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฐิมีปัญญานาหน้ารู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุแห่งความเจริญรู้เหตุแห่งความเสื่อมนะรู้ว่าโลกนี้รู้โลกหน้าแล้วก็รู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้ารู้ประโยชน์อย่างยิ่งกระทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่อนุวัตสอดคล้องตามปัญญาทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะเพราะผลแห่งกุศลที่ทำไว้ดีแล้วความรอบรู้ในบุญรอบรู้ผลของบุญรู้กรรมรู้ผลของกรรมอันนี้ก็สำเร็จด้วยปัญญาทันั้นความที่มีปัญญาเนี่ยนะก็จะทำให้ได้อาสวะคยญาณได้ข้อปฏิบัติเป็นทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคามัคคยาณนะทัศนะวิสุทธิและปฏิปทา ย า, านทัศนวิสุทธิเพื่อจุดมุ่งหมายคือยาณทัศนวิสุทธิคืออารยมรรคทั้งหลายอาสวัคยายานแทงตลอดอริยสัตว์เพราะว่าโสดาปฏิมรรคทําลายทิฏฐาสวะเนี่ยลายทิฏฐาสว ะ, สวะอนาคามีมรรคทาลายกามาสวะอรหัตมรรคทาลายอาวิชชาสวะนั้นอาสวัคยายานก็จะเกิดขึ้น